อันเจนริญพรแวดยมทุกๆท่านเนาะเราก็ได้สวดนะธรรมจักรนะปะปะมัทนสูตรนะเป็นเป็นพระสูตรแรกนะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะในโลกถือว่าเป็นเป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญนะเพราะว่า เป็นที่ที่แสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็เกิดพระสมรูปแรกนะของโลกนะเกิดพระรัตนตัยครบนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ก็เป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเานาะก็ได้เริ่มที่จะเผยแผนะ่สู่ ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งหลายนะเทวดามารพรมแลวก็ได้ค่อยๆซึมซับธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคือว่าอย่างทำไมพระเจ้าแสดงธรรมนะแล้วก็สามารถมีคนที่รู้ธรรมได้ทันทีเลยนะก็คืออย่างแสดงธรรมจักกะวัฒนสูตนะก็คือ อัญญาโกธัญญาก็บรุธรรมนะมีดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมไปนะบรรุธรรมไปแล้วพรเจ้าก็แสดงธรรมในอีกหลายตอนก็กมีคนบรรุธรรมเยอะมากยังมีอยู่ที่หนึ่งที่เมืองราชคลึกนะท่านก็แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็บริวานนะก็น่าจะมี มีคนบรรลุธรรมเยอะมากนะจากการแสดงธรรมครั้งเดียวนะทำไมเขาถึงแสดงธรรมแล้วก็สามารถพระพุทธจ้าแสดงธรรมนะแล้วก็คนก็บรรลุธรรมตามได้เพราะว่าไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฟังแล้วรู้ตัวไปด้วยนะโยมก็เหมือนกันนะฟังธรรมไปก็ก็รึร้รู้นะรู้ตัวไปด้วยนะอืม คือไม่ใช่ฟังแบบฟังแล้วคิดตามนะไม่ต้องใช้สมองความคิดตามนะฟังไปแล้วก็ดูดูร่างกายดูจิตใจของเราเองนะดูตรงนี้เนาะอาจมาแสดงอะไรไปก็ก็พูดไปแล้วมันกระทบกับความรู้สึกอะไรของเราก็ก็ให้เรารู้ตัวตรงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า อย่างตอนเนี้นะยน่ะยอดโยมนั่งอยู่เนาะเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งนะ่ะนี่คือให้เราฟังไปด้วยแล้วก็ดูตัวเองไปด้วยอะไรนะอืรู้ไหมรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่ง <c oughs> ร่างกายนี่เองนะนะ่ะเห็นร่างกายเขานั่งนะ่ะ เห็นแบบบูมรวมเนาะอาจจะมีความรู้สึกชัดที่ที่ไหนนะที่ก้นที่สัมผัสพื้นนะหรือที่หลังที่ตั้งตรงหรือรู้สึกถึงการขยับของมือของอะไรก็แล้วแต่อย่างมาก็ดูตัวเองนะรู้สึกขณะที่พูดก็รู้สึกถึงถึงร่างกายที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ มันสามารถทําคู่กันไปได้นะสิจิตคนมันเร็วมากนะมันไม่ใช่รู้สองอย่างพร้อมกันหลักแต่มันรู้สลับกันไปได้เร็วมากอืมประสาทสมัมผัสเราอ่ะเหมือนเหมือนเรามองเห็นใครเราก็ได้้มดดไยินเสียงไปพร้อมมองเห็นไปพร้อมรับรู้ความรู้สึกนะของอากาศไปพร้อมกันมันมันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่การรับรู้ของมนุษย์เรานะ มันสลับได้เร็วมากนะนะเราก็รู้สึกตัวนะเรานั่งก็ให้เรารู้สึกเห็นร่างกายมันอยู่ในท่าไหนก็รู้สึกเนะเรานั่งอยู่ตอนนี้ก็เราก็รู้สึกเราหายใจเป็นอย่างไรเนาะรู้สึกไหมหายใจเห็นร่างกายก็นั่งหายใจอ หายใจเข้าก็รู้นะหายใจออกก็รู้นะหายใจสบายหรือหายใจอึดอัดนะก็ให้เรารู้ไม่ต้องไปทำนะไม่ต้องไปพยายามทำให้หายใจเป็นแบบนั้นแบบนี้แค่รู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งนะตอนนี้กำลังหายใจนะหายใจเป็นแบบไหนก็ให้เรารู้ตัว ใบหน้าเป็นแบบไหนนะมันตึงไหมนะหรือมันคลายตัวของมันเองนะหลังเราตรงยืดเกินไปไหมหรือว่ารู้สึกมันพอดีแล้วรู้สึกไหมรู้สึกถึงตัวเองเนาะนี่คือธรรมะจริงๆคือปัจจุบันนะปัจจุบันธนรรมที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ เรากลับมาดูเลยนคือธรรมะของจริงนะไม่ใช่ฟังอาตามาแล้วก็คิดตามนะแต่ให้เรากลับมาดูตัวเองนะเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เห็นลมหายใจนะที่มันอยู่ในร่างกายนี้เห็นความตึงความผ่อนคลายที่มันอยู่ในร่างกายนี้เห็นความเคลื่อนไหว เห็นความมั่นคงนะเห็นความหยุดที่อยู่ในร่างกายนี้นะเราเห็นดูไปด้วยเนาะนะบางครั้งมันก็กระพริบตาบางครั้งมันก็ขยับ เ, ออเราก็เห็นละอันนี้คือเราเห็นกายที่เป็นปัจจุบันเนาะรู้สึกตัวเนี่ยคือรู้สึกถึงนะตอนนี้เราเรามาเรียนเรามาดูเรามาสัมผัสเลยนะ กับร่างกายที่กำลังนั่งเนี่ยจิตใจเป็นแบบไหนจิตใจมีความทุกข์อะไรไหมพอเรารู้สึกตัวรู้สึกถึงกายใจเราอยู่กับตัวตั ว, ตวนี้นะ่ะใจมีความทุกข์อะไรไหมแล้วต้องไปหาความพนทุกข์ที่ไหนเมื่อตอนนี้มันก็ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหม ถ้าตอนเนี้ยเรารู้สึกตัวอยู่ถึงการนั่งจิตใจไม่ได้เป็นทุกข์นั่นก็คือเราก็ปฏิบัติทำแล้วนะเนี่ยนั่คือความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วอืบางทีเราคิดว่าเราต้องไปหามรรคผลนิพพานไปหาความพ้นทุกข์ที่ที่อนาคตหรือที่อื่นเนาะที่จริงเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยเราเห็นนะว่า ใจเองก็ไม่เป็นทุกข์แต่ใจเขาเป็นทุกข์เพราะว่าใจมันดิ้นดนเดียวดิ้นดนดิ้นดนที่จะบางทีจิตใจมันเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาแล้วดิ้นดนที่จะให้มันให้มันหายอะ่ะอย่างเมื่อสองสามวันก่อนตอนนั้นอาจามาก็มีความรู้สึก ให้มันรู้สึกปวดหัวอาจจะเดิมไม่รู้อาจจะเป็นเพราะอะไรมันปวดหัวขึ้นมาตอนตั้งแต่บ่ายๆจนถึงจะทำวัดเย็นเราก็พยายามหาวิธีพยายามหายใจพยายามดมยาดมพยายามแต่ยังไม่กินยาพยายามจะทำให้ทาไงให้มันดีขึ้นทำให้มันให้มันดีขึ้นเนาะ อยากให้มันดีขึ้นนะแต่พอถึงตอนทําวัดเย็นนะพอนะดีมีโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาปฏิบัตทิที่ที่ปากช่องก็มาทําวัดจะได้เทศสอนโยมสักหน่อยมันก็ยังไม่ค่อยดีเลยใจก็คิดอยู่นะว่าอถ้าปวดหัวนี้จะเทศไหวหรือเปล่านะก็แต่พอไปทําวัดแล้วก็อืมไม่ยังปวดหัวเยอะ น, นะ แต่ตอนนั้นก็เลยคิดว่าก็เลยเอา้าวช่างหัวมันคือมันเราลองพยายามหาวิธีที่เราพอจะทำได้ให้มันคิดว่าจะทำให้มันดีขึ้นนะพอรู้สึกว่าช่างหัวมันช่างหัวมันอยู่กับมันมันปวดหัวอยู่ก็อยู่กับมันนั่นแหละนะพอแบบพอช่างแล้วมั น, นอยู่ก็นะแบบกตรงนั้นแหละนะปรากฏว่า มันคลายของมันเองนะะมันคลายเหลือตกะกมันยี่สิบเปอร์เซ็นตน่ะที่มันยังมีอยู่ไม่ใช่หายร้อยเปอร์เซ็นแต่พอใจเรายอมรับว่าเราจะอยู่กับความปวดหัวอย่างไรน่ะอาการปวดหัวมันคลายไปไปเยอะอืมจะเหลือไม่มากเอออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะมารู้สึกว่าบางทีจิตจิตเราพอไปดิ้นดนที่ อยากจะทำให้มันให้มันหายให้มันดีให้มันไม่มีอาการที่มันมันไม่ดีแล้วเนี่ยจิตบางทีจิตเราก็อาจจะคิดว่าเราจะจะช่วยกายเนาะแต่บางทีมันก็ดิ้นโดนมันไม่ยอมรับสภาวะที่มันเป็นอ่าพอรู้สึกว่าเออก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นเลยอมรับมันไม่กับคลายตัวของมันเองคลายตัวของมันเองก็อันนี้อะไรเนาะก็คือ การรู้สึกตัวจริงๆนะบางทีหมายว่าเป็นเรื่องที่จิตเขาเขายอมรับที่จะอยู่กับสภาวะนั้นแม้สภาวะนั้นมันเช่นกายมันจะปวดหัวหรือกายมันจะเป็นทุกข์นะลองอยู่กับสภาวะนั้นจริงๆอะ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าการที่จิตอยู่กับสภาวะนั้นจริงๆแล้วจิตใจอ่ะมันไม่ทุกข์ลวแต่กายมันอาจจะยังทุกข์บ้าง แต่ก็จะทุกน้อยลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะแล้วจิตเราพอยอมรับมันเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เพิ่มความกังวลเนา ะ, นะตอนนั้นอาจจะมาอาจจะคิดว่าจะต้องไปสอนโยมเราก็เลยอยากให้มันหายเพราะจะได้ไปเทศได้ไปอะไรนะแต่ก็แต่พอเออมันหายไม่หายเรื่องประมาณละ พอเรายอมรับไม่ได้ไปกังวลถึงอนาคตว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนอะไรอย่างไรเนาะมันก็มันก็มันก็โอเคของมันนะอืมนั้นการปฏิบัติทำจริงๆคือมาว่าให้เรามีสตินะยอมรับในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่เฉพาะอาการของกายเนาะอย่างเวลาเราปฏิบัติธรรมบางทีมันง่วงนอน หรือมีความปวดเมื่อยต่างเนี่ยบางทีความทุกข์จากการง่วงนอนจากการปวดเมื่อยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือมันก็เป็นทุกข์ของกายเนาะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับมันเราอยากให้มันหายเราอยากให้มันดีเราอยากให้มันไม่มีแบบนี้เนะาะมันเดับางทีเลยเไรดิ้นดน ดินดนที่จะทํานั่นทงนี่เยอะแยะมากมายแต่ลองแค่แค่ลองอยู่กับมันดูนะลองอยู่กับมันดูนลองอยู่กับสภาวะตรงนั้นดูแล้วเราจะเห็นว่าอาการมันก็เป็นอาการสมมุติอาการเป็นแบบนี้เนาะ <S <S นี่ลองมีสติอยู่กับอาการน่ยมันเหมือนนี้สมมุติอันนี้เป็นความทุกข์แต่นี้คือเรามีสติรู้อยู่ตรงเนี้ย มันก็อาจจะแค่รู้แบบนี้มันก็หนักอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติเราไปดิ้นหนมากมันเหมือนเราพยายามทำอะไรให้มันดีอะเราพยายามทำมันก็เลยแบบไอ้ตัวนี้มันเลยเหนื่อยขึ้นเพราะไอ้นี้มันพยายามจะทำให้มันหายทำให้มันดีทำให้มันไม่มีอยู่ในเนาะมันก็เลยตัวนี้เลยหนักแต่ถ้าแค่ยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้นะมันก็มันก็หนักแค่นี้ แต่พอเราไม่ยอมรับมันก็ก็เลยก็เลยเหนื่อยดังนั้นบางทีความพยายามเน่ก็คือจิตที่มันดิ้นรนเนาะบางทีหลงตอนเคยเคยฟังเทศหลงพ่อประโมทไหมนานๆแล้วท่านจะมักย้ำคมพูดนะท่านบอกว่าความพยายามอยู่ที่ในความน้มเรียวอยู่ที่นั่น แต่ถ้าสุภาติดไทยเรานะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนะอมแต่สงพ่อฟ้โมทท่านคงเห็นนักปฏิบัติธรรมที่มีความพยายามสูงแล้วมันก็ล้มเหลวเพราะอะไรทำในความอยากนะ อ, อยากบรรลุธรรมนะอยากพ้นทุกข์อยากดูอยาก หรืออยากให้อาการนี้มันหา ย, ยาคือบางทีเราไปดิ้นดนมากจนความพยายามมันมันเลยกลายเป็นความทุกข์เนาะแต่ความพยายามที่ชอบเนะี่ยความเพียรชอบเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นความพยายามที่จะเพิ่มทุกข์แต่เป็นการเป็นความพยายามที่จะรู้สึกตัวนะไม่ใช่พยายามที่จะไปทำให้ใหสิ่งนั้นสิ่งนี้มันหายนะเพียงแค่พยายามรู้สึกตัว อยู่กับสภาวะนั้นนะเราจะปวดหัวเราจะปวดขาเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราลองแค่รู้สึกตัวอยู่กับสภาวะนั้นจริงๆนะแล้วจิตมันจะไม่เป็นทุกข์ส่วนกายก็จะเป็นทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องของมันหรือแม้แต่สภาวะอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้างในก็นเหมือนกันนะบางครั้งจิตมัน บางครั้งจิตมันเศร้าๆหรือบางครั้งจิตเขาหงุดหงิดบางครั้งจิตเขาฟุ้งซ่านก็แด้แต่นะบางทีความทุกข์เกิดเพราะว่าเราไม่ชอบเขาเนาะเราไม่ชอบอ่าสิ่งที่เป็นอกุศลเราไม่ชอบอาการที่มันไม่ดีเราก็เลยดิ้นโดนที่อยากจะให้มันหายอยากจะให้มันดีนะอันนี้คือภาวะที่เราไปเพิ่มทุกข์ตรงเนี้ สภาวะมันเป็นทุกข์อยู่แล้วของมันแต่เราไปเพิ่มมันก็เลยทุกข์มากกว่าเก่าแต่ลองเราเพียงแค่มีสติอยู่กับสบภาวะนั้นเนาะที่จริงอย่างความฟุ้งซ่านมันก็เป็นอาการเราลองแค่มีสติอยู่กับความฟุ้งซ่านดอแล้วมันจะเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็ก็ตัวหนึ่งนะสติก็ตัวหนึ่ง ความเศร้าก็เหมือนกันนะหรือบางทีบางคนเวลาเคยรู้สึกไม่เวลาเศร้าเวลาเสียใจอะ่ะบางทีเรามักไปพยายามขม่ขมข่มความเศร้าความเสียใจหรือบางทีขม่มความโกรธนะถ้าอารมณ์มันอาจจะน้อยแล้วกำลังกาลังจิตมันแข็งมันอาจจะข่มได้นะเหมือนเรามืนเรากดข่มอะไรเล็กๆน้อยๆมันข่มได้ แต่ถ้าอารมณ์นั้นมันรุนแรงมันหนักแล้วเราพยายามที่จะคมเน่ะเราจะเหนื่อยแล้วบางทีขมไม่ได้มันมันระเบิดนะหรือว่ามันมันรุนแรงนะนั้นจริงๆแล้วเราเพียงแค่แค่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มีสติอยู่กับสภาวะนั้นมีสติอยู่กับสภาวะนั้นะ่ะ ความฟุ้งซ่านก็ดีความเศร้าก็ดีความโกรธความงุนงงก็ดีมันจะเหมือนคล้ายๆเรายอมรับในสภาวะของเขาที่เขาเป็นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆหายไปเองเพราะธรรมชาติของทุกอย่างนะมันเกิดแล้วก็ดับไม่มีสภาวะไหนที่คงทนถาวร น, นะสภาวะทุกอย่างเขาเกิดแล้วก็ดับนั้นสติของเราคือทาหน้าที่เพียงแค่ อยู่กับสภาวะ น, นั้นให้ได้นะเป็นคนละส่วนกันเขาจะหายไม่หายเรื่องของเขาแต่ถ้าจิตเรามีความอยากไปบังคับอยากไปจัดการนะมันจะเป็นเหมือนเราบางทีเราก็ว่าเรามีสตินะแต่ทำไมไม่หายฟุ้งซ่านมีสติทำไมไม่ไม่ไม่หายโกรธสักนทะีคือเรามีสติแบบแบบอยากให้มันหายโกรธอะใช่ไหม มีสติแล้วก็ใจหนึ่งก็จำเรืองดูว่าเมื่อไใ่มันจะหายโกรธเมื่อไใดเป็นหายฟุ่งสั้นมันไม่ใช่มีสติเพื่อมีสติจริงๆแต่มีสติแล้วมันมีความอยากที่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะคล้ายๆเหมือนเราเราทําอะไรนะแล้วเราหวังผลอะ่ะมันจะรู้สึกว่าทําไปแล้วก็คอยประเมินทุกครั้งเลยคอยดูทุกครั้งว่ามันได้ผลหรือยังมันนั่นนี่หรือยังอนะไรเนาะ มันก็ลยจิตใจไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายไม่ผ่อนคลายไม่ปล่อยวางจริงๆนะนะเราลองฝึกที่จะแค่อยู่กับสภาวะนั้นจริงๆเนาะแล้วสภาวะนั้นเขาจะแสดงสภาวะเขาเกิดแล้วก็ดับให้เราเห็นเราจะเห็นว่าเออเนี่ยมโกรธขึ้นมาพอเรารู้เดี๋ยวความโกรธก็หายไปมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมา อีกเราก็รู้มันอาการนั้นก็จะหายไปให้เราเห็นนี่คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นในใจให้เราก็แค่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นมาก็พอละอย่างตอนนี้มีสภาวะใดไหมอะไรนิวรอะไ ร, ออะไรง่วงฝึกอยู่กับง่วงเลยโยงง่วงก็ ก็ยอมรับว่ามันง่วงนะอืมก็เห็นว่ามันง่วงแล้วก็อยู่กับความง่วงอม่มีความกังวลไหมว่าวันนี้จะจะง่วงหนักขึ้นเอ่ยอมรับมันเลยเอืมมันง่วงพระยาก็ยอมรับมันเลยนะอืมแต่ถ้าจิตเราไปกังวลมากขึ้นเนะ่ะมันจะความง่วงมันจะหนักนะมันจะน่ากลัว ก็รู้สึกว่ามันง่วงจิตเราก็อยู่กับมันให้ความง่วงเป็นส่วนหนึ่งให้ความรู้สึกตัวเป็นอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ของมันไปเหมือนคูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเหมือนความมืดก็อันหนึง่งแสงสว่างมาก็อันนึงการภาวนาของเราก็คือเหมือนเราเพิ่มแสงสว่างเข้าไปนะไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปไปโกรธหรือว่าไปทาลายความ ความมืดแต่หน้าที่เราก็เหมือนแค่มีแสงเหมือนเราเดินถ้าเราไปที่วัดหรือไปในป่านะตงคืนน่ะเราก็มันก็ต้องมืดเนาะเราไม่ต้องไปไปติดไฟให้สว่างเหมือนทั่วกรุงเทพนะให้สว่างทุกถนนทุกบ้านนะแต่ถ้าเรามีแค่ไฟฉายของเราในการเดินที่สว่างพอมองเห็นน่ะเราก็ไปได้ทุกที่นะ เ, นเพราะว่าไฟฉายมันก็ส่องให้เราสว่าง เฉพาะหน้าการภาวนาจริงๆก็เหมือนกันนะมันคือเรื่องที่เราแค่แค่อยู่กับสถานการณ์นั้นทีละขณะทีละขณะเราไม่จำเป็นต้องแบบไปส่องให้มันได้รนะ้อยเมตรเราแค่ทีละสองสามเมตรข้างหน้าที่เราจะเดินนะ่ะพอละมันก็พอนะบางทีความทุกข์ของคนเราเนะี่ยเพราะว่าบางทีเราเราไปบวกอดีต ปัจจุบันอนาคตมารวมมันก็เลยหนักอืมเช่นเช่นเวลาเรามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดความคิดกองบนวิตกหรือว่าไม่พอใจนะกับปัญหานั้นเนาะเช่นปัญหานั้นมันเกิดกับเรามาอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะคิดบ่อยเลยเรื่องเนี้ยอ่าคิดบ่อยอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้ก็ยังมาคิดอีกนะ มาปฏิบัติธรรมก็จะมาคิดอีกละปัญหานี้นะคิดมาอาทิตย์หนึ่งละแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคิดอีกกี่วันคิดอีกกี่วันนะเราก็ยิ่งเรยิ่งวิตกมากขึ้นว่าเมื่อไรมันจะหายคิดเรื่องนี้เมื่อไรมันจะเลิกเ ม, มื่อไรมันจะจบต้องสกเก็ตไหมอ่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็วันนี้แล้วก็อนาคตนี่ก็แล้วแต่โยมจะปรุงแต่งละสมมติถ้ามันคิดอีก เดือนหนึ่งเนี่ยฉันจะไม่เป็นบ้าหรอฉันจะไม่เครียดแล้วนะนะคือเรามาบวกกันเป็นเดือน ก, กว่าๆนะมาเป็นความทุกข์ในตอนเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะก็สมมติมันคิดตอนนี้ก็แค่รู้ว่ามันคิดตอนเนี้เราก็อยู่กับแค่สภาวะที่มันคิดตอนนี้ไม่เอาไม่เอาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามาบวกด้วยไม่เอาหนึ่งเดือนข้างหน้ามาบวกด้วย จิตมันก็อยู่กับแค่ตรงนี้แหละอยู่กับตรงเนี้ยเราก็แค่รู้สึกไปมันก็จะไม่เป็นทุกข์อะไรมากมายนะจิต ก, ก็สบายๆเหมันโยมเคยนอนไม่หลับไหมนอนไม่หลับกังวลไหม <laughs> นะยิงถ้าเป็นวันทำงานเนี่ยจะกังวลมากกว่าวันหยุดใช่ปะ ใช่วันหยุดเราอาจจะรู้สึกว่าตื่นสายได้ไม่ต้องทำงานนะแต่ถ้าเป็นวันทำงานโดยเฉพาะวันถ้าตอนเช้ามีอะไรที่สำคัญหรือจะยิ่งกังวลมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่กังวลว่าเฉพาะนอนไม่หลับใช่ไหมแต่เรากังวลว่าพรุ่งนี้เราจะไม่สบายพรุ่งนี้เราจะไม่สดชื่นพรุ่งนี้เราจะไม่มีแรงอะยรก็สารพัดเลย นี่คือเวลาเรานอยไม่หลับนะเรามาบวกกับความทุกข์ในอนาคตมารวมด้วยแต่ถ้าเราลองดูอนอนไม่หลับก็อยู่กับความนอนไม่หลับเลย <c oughs> ก็อยู่กับอาการนอนไม่หลับก็นอนก็นอนอยู่กับมันนะ่ะรู้สึกกลัวว่าร่างกายกำลังนอนเมื่อคืนนี้มาก็เป็นนะคือพอดีไปช่วย ดับไฟที่พูหลงแล้วก็เดินทางหลายๆอย่างแหละแล้วก็มาสอนที่กรุงเทพเมื่อวานสอนที่เดมอนฟาร์มกลับมานอนเลยควัมมานอนแล้วมันนอนไปแล้วไงมันตื่นทีสามทุ่มไปส่งน้ำส่งน้ำเสร็จก็กว่าจะมานอนอีกมันไม่หลับเพราะมันนอนไปแล้วก็ <c oughs> อนอนไม่หลับนะก็ออนอนก็ อ, อ, อยู่กับการนอนไปก็กว่าจะหลับนะห้าหกทุ่มนะ <c oughs> ก็มันอาจจะได้พักไปแล้วรอบนึงเนาะอืมก็อะนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับก็อยู่กับการนอนไละเดินไปพลิกมือบ้างหรือนอนแค่รู้สึกถึงร่างกายที่เขากำลังนอนอยู่ก็ก็อยู่กับตรงนั้นไปแต่ถ้าจิตเราไปกังวลนะโ อ, อ้พรก่งนี้ต้องมาสอนที่นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ไหวไม่สบายนั่นนี่นะโอ้มันจะยิ่งมันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนนอนลนะ นะแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่สบายจริงก็ได้แต่พอเรายอมรับว่ามันนอนไม่หลับก็อยู่กับการนอนไปเฉยๆธรรมดาก็ก็อโอเคนะตื่นขึ้นมาก็อาจจะตื่นสายหน่อยแต่ก็โอเคนะคือบางทีให้เรากลับมาที่ปัจจุบันเลยนะนะอย่างในสติปัฏฐานนสูตรมันมีบางมันมีหมวดที่เรียกว่า อีทีบาวด4สี่เนะยืนเดินนั่งนอนนะให้เรามีสติเนะอีดียาบาวดพวกนี้นะให้เราพยายามกลับมารู้ตัวบ่อยๆเลยนะอย่างตอนนี้นเรานั่งนะให้เรารู้สึกตัวอย่างเวลาถ้าเราต่อไฟเราจะมานั่งยกมือนะเราจะพึ่งไปดีบแบบจะรอรู้สึกตอนมันยกมือให้เรารู้สึกตัวตอนที่เรานั่งให้มันดีๆก่อน นั่งในตอนนี้เรารู้สึกไหมอืมให้มันรู้สึกตัวให้มันทั่วพร้อมให้มันชัดในการนั่งก่อนให้มันรู้สึกถึงความผ่อนคลายในการนั่งก่อนตอนนี้เรารู้สึกนั่งผ่อนคลายไหมนั่งได้ความพอดีไหมอ่าบางคนพอจะปฏิบัติธรรมอะ ทำท่าเนาะคือต้องเกง่งต้องแข็งต้องอะไรนะใช่ไหมพอเริ่มด้วยความไม่ผ่อนคลายเริ่มด้วยความจริงจังเนะ่พอจะไปรู้ตัวมันก็รู้ด้วยความเพ่งด้วยความจ้องเนาะแต่ให้เรานั่งด้วยความนะรู้สึกผ่อนคลายกันนะไหลเราวางพอดีไหมนะ่ะบางคนก็นั่งแบบนั้นนะจะยกมือละแต่ถ้าเราอ้อรู้สึกอ้อไหลมันตึงไปผ่อน พอดีเนาะใบหน้าพอดีไหมรู้สึกไหมหายใจสบายหรื อ, อยังเนะี่ยดูไปด้วยนะดูตัวเองไปด้วยหายใจสบายหรื อ, อยังนะีถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องอยังไม่ต้องขยับบือเราก็รู้สึกตัวได้แล้วอืมเนะี่ยท่าที่หนึ่งอ่ะมือวางไว้ที่หัวเขา่าเราก็รู้แล้วใช่ไหมคือมันก็รู้สึกแล้ว รู้สึกถึงร่างกายแล้วเราจะไปเดินจกงกรมก็เหมือนกันนะอย่าเพิ่งรีบก้าวนะยืนให้มันรู้สึกตัวก่อนยืนให้มันรู้สึกตัวแล้วก็ขณะที่ยืนมันก็ค่อยก้าวเดินมันก็จะรู้สึกตัวได้มันจะมีความมั่นคงเลยรู้สึกแต่ละก้าวมีความมั่นคงทีละก้าวนะเหมือนช้างเดิน <c oughs> มันจะมีความมั่นคงแบบ ทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่ก็ไม่ได้ไปจมอยู่แต่เท้านะรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมในการยืนนะต่อไปการเดินมันก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินได้นอนก็เหมือนกันเนะ่บางทีถ้าเราสังเกตร่างกายเราที่นอนได้นะให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกว่าให้นอนด้วยความผ่อนคลายแบบไหนเนะี่ย บางทีเราไม่ต้องขยับมือก็ยังได้อนะ่นะบางทีเรานอนเนี่ยจะเห็นนมหายใจที่มันหายใจสบายสบายหรือบางทีเห็นท้องเขาพองเขายุบไม่ใช่พยายามทำให้ท้องพองแล้วก็แล้วก็ทำให้ท้องยุบนะท้องเขาพองท้องเขายุบของเขาเองอยู่แล้วเราไม่ต้องทำก็ท้องก็ยุบ <c oughs> อคือ ถ้าเราเห็นจริงๆนะมันจะรู้สึกได้ว่าร่างกายเองส่วนหนึ่งเราตั้งใจเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งเ้าเคลื่อนไหวของเขาเองเราจะรู้ตัวไหนก็ได้นะสังเกตไหมตอนนี้อย่างลมหายใจมันเเป็นของเขาเองท้องพองท้องยุบเขาก็เป็นของเขาเองกระพริบตาหรือน่างกายขยับมันเป็นของเขาเอง มันเป็นของเขาเองเนี่ยแหละมันเป็นอนัตตาเราบังคับบัญชาไม่ได้นะนี่มันเป็นของมันเองนะมันขยับขยับของมันเองมันหายใจก็หายใจของมันเองต่อไปแม้แต่เวลามันคิดมันก็คิดของมันเองคิดดีคิดไม่ดีมันก็คิดของมันเองมันเราเคยรู้สึกเนาะ น่าจะทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์เวลาเราเห็นใครทักคนนะบางทีคนนี้รู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกอุ่นใจเห็นคนนี้บางทีรู้สึกอุ่นหงิดแล้วไม่ชอบขี้หน้าละนะลึกๆก็เ ร, เราอยากเป็นแบบนั้นไหมไม่ได้อยากนะไม่ได้อยากเป็นแต่จิตมันเป็นของมันเองแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนแปลกหน้าที่มันเป็นแบบนี้แม้แต่คนคุ้นหน้า ถ้าเราดูดีๆนะวันนี้บางทีเราเราก็รู้สึกดีกับเขาตอนบ่ายเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับเขาเนะตอนข้ามอาจจะรู้สึกดีกับเขาอีกล้วอ่แม้แต่คนคนเดียวกันจิตของเราก็ยังเปลี่ยนได้ในพ่อในแม่ในพี่ในน้องในลูกในหลานนะเราก็มีทั้งรักมีทั้งโกรธอ่กับคนคนเดียวทั้งทั้งที่เขาเองก็เป็นของเขาแบบนั้นแหละแต่จิตมันก็เป็นของมันเองนะ จิตมันก็เป็นของมันเองแต่เวลามันเกิดความทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าเราไปเป็นกับมันจริงๆนะคือเราไม่ชอบเขาเราคิดไม่ดีเราโกรธแต่ถ้าเราสามารถเห็นได้ถึงความรู้สึกมันเป็นของมันเองนะ่มันจะแค่รู้สึกว่าอืมมันจิตมันเป็นแบบนี้จิตเขาโกรธจิตเขาคิดจิตเขาฟุ้งซ่าน ไม่ใช่เดาที่เป็นแต่มันคืออาการของจิตนะอาการของจิตความสงสัยก็เป็นอาการของจิตนะ <c oughs> ความไม่พอใจก็เป็นอาการของจิตความฟุ้งซ่านก็อาการของจิตนะรวมทั้งความสุขความสบายความเบ า, า, เบาก็คืออาการนะก็เราก็ไม่ไปดงยึดเหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่ไปว่าเราต้องไปทำลายนะบางคนคิดว่ามันเป็นสมาธิมันไม่ใช่ทางที่จริงสมาธิแล้วมันเกิดสภาวะเบาสบายสุขเราไม่ต้องไปทำลายมันเพียงแค่รู้ว่ามันเบารู้ว่ามันสบายรู้ว่ามันสุขมีสติรู้ตัวอยู่แล้วพอเรามันหายไปเนะี่ยมันจะไม่มันจะรู้ทันพัทใจก็อาจจะเสียดายแวบหนึง่ง แต่ก็ยอมรับได้มันจะหายแล้วก็รู้ทันแต่ถ้าเราขาดสตินะ่ะพอมันหายจะเสียดายเสียใจแล้วก็อยากให้มันมีอีกนะมันจะเกิดความอยากแล้วก็ไม่อยากเนาะอยากให้ความสุขมันยังอยู่นะอยากให้ความสุขมันเกิดขึ้นใหม่แบบนี้เนาะมันเสียดายแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาเราก็รู้มันดับไป เราก็แค่รู้หรืออาจจะเสียดายเสียใจก็นิดหน่อยเราก็เห็นตัวเองแล้วก็มันก็จะวางได้ง่ายผลจากการมีสตินะมันเกิดการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่เป็นการทำนะปล่อยวางเป็นผลจากการเพียงแค่รู้นะเนาะฝึกเอาแค่รู้ไม่ว่าอาการนั้นจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็แค่รู้นะ น่าคอยอย่างวันนี้น่าคอยหมั่นดูรู้สึกตัวบ่อยๆโดยเฉพาะอีริบทหลักๆเนาะวันนี้ยืนเดินนั่งตอนงคืนค่อยไปฝึกกับการนอนนะฝึกรู้ตัวอีริบทอืมอม่รู้สึกในอิริบทใหญ่ก่อนต่อไปอีริบทย่อย น, อะนะยกมือหายใจท้องพองท้องยุกบกระพริบตาเคลื่อนไหว ก็คืออีดีบทย่อยในไอเดียบทใหญ่ให้เรารู้สึกตัวไปบ่อยเท่าที่ทําได้แล้วผลสุดตัวทั่วพร้อมมันก็อย่างที่ว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะตายเราฝึกที่จะรู้สึกตัวปรับสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับใจด้วยเนาะฟุ้งซ่านก็แค่รู้ง่วงนอนก็แค่รู้นะซึมอ่ะก็แค่รู้ ดีใจเสียใจก็ลองฝึกแค่รู้มันไม่ต้องไปจัดการโยมเอาแค่รู้นะอ่าบางทีบางทีเราก็ติดเราคิดว่าเราต้องไปจัดการควาว่าจัดการคือเราต้องไปพยายามทำเนาะทำให้มันไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ให้มันหายไปต้องไปจัดการแต่การฝึกที่จะแค่รู้อยู่กับเขาให้ได้เนี่ยไม่ต้องทำอะไร คือการเหมือนแค่ยอมรับสภาวะนั้นอย่างที่มันเป็นนะถ้าจะทำก็คือทำให้มีสติแค่แค่นั่นเองบางทีถ้าสติมันอ่อนมันจะกลายเป็นเราอาจจะถูกดูดเข้าไปถูกดูดเข้าไปในความคิดถูกดูดเข้าไปในอารมณ์นะถ้าจะทำก็คือไม่ให้ไปจัด ก, การไออารมณ์นะคือทำให้มันมีสติมากขึ้นนะมันจะได้ไม่ถูกดูดอะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราว่ายน้าอะ ถ้าเมื่อไรเราเลิกไหวเราอ่อนแรงนะมันก็จมเข้าไปใช่ไหมสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ประคองตัวหรือไหวในท่าที่เราทำได้ใช่ไหมก็แค้นั้นเอแต่ถ้าเราเมื่อไรที่เราไม่รู้สึกตัวมันจะถูกดูดจมเข้าไปในในน้ำอารมณ์ก็เหมือนกันเนะมื่อไรที่เราไม่รู้สึกตัวมันก็จะถูกดูดเข้าไปในอารมณ์แต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้เราจะรอยในอารมณ์นั้นได้นะอารมณ์นันจะหายไม่หายเรื่องของมัน เนี่ยทําแค่นี้นะไม่ต้องไปจัดการความคิดไม่ต้องไปจัดการอารมณ์เพียงแค่ให้รู้สึกตัวอยู่กับอารมณ์นั้นให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกตัวไม่ได้เราก็เราก็เราก็ค่อยๆทาแต่ทําเหมือนถึงว่าทําในท่าที่สร้างสตินะไม่ใช่ไปจัดการอารมณ์นะทาให้เกิดสติขึ้นมาทําให้เกิดสติขึ้นมาทีละครั้งทีละครั้งตอนนี้แหละนี่คือคือการ ที่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นไงฟังไปใจเราแวบไปที่อื่นเยอะไหมแวบไหมธรรมดานะอ่าไม่ผิดแวบมันก็เราก็รู้ว่ามันแวบเนาะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าตอนไหนมัน แต่ที่จริงมันขนาดที่ฟังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายใช่ไหมหรือว่าทุกข์เมื่อใ่จะเทศเสร็จหรือว่าทุกข์เพราะอยากจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรใช่ไหมตอนยมหัวเราะยมทุกข์อะไรไหมอ่าดีนักปฏิบัติทมหัวเราะได้นะ คือบางทีมาไปบางที่โยมไปเทศไม่รู้เป็นยังไงแบบเวลาเทศนี้โยมเนี่ยนิ่งมากเหมือนพระอิฐพระปูนเนี่ย <laughs> แบบคนเทศก็เลยแบบไม่ค่อยรับรู้ถึงพนังงานความแบบอึมคึมเนาะธรรมะมันก็เลยไม่ค่อยออกคือบางทีธรรมะมันอยู่กับคนฟังเลยนะอืมคือมันก็คือไม่ใช่แปลว่าเราจะเอ้ฉันจะพูดอะไรฉันจะอะไรมันก็เป็น มันเป็นสะท้อนกลับไปกลับมาเนาะทำมะแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปเท่แบบโยมนิ่งโยมไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจรับดูไม่รับรู้ซึมด้วยไม่ซึมเนี่ยมันมันก็ไปต่อยากใช่ไหมือนกับเหมือนเราลดน้ําต้นไม้ถ้าเรารู้สึกมันไม่ซึมมันก็ไม่ค่อยอยากลดนะมึงว่ามันก็พอแล้วอ่ามันก็พอแล้วแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่นั่นนะแต่บางทีว่ามันมันไม่ออก เพราะว่าเวลาพูดแบบนี้มันมันไม่ใช่การเตรียมที่จะมาพูดอะไรนะไม่ไม่ใช่เหมือนเราักเชอร์นะถ้าเราัชเอเราจะมีหัวข้อมีประเด็นมีการอธิบายที่มันต่อเนื่องแต่นี่คือจริงๆริมันคือปัจจุบันของโยมปัจจุบันของจอำมาด้วย <c ười> คือเป็นปัจจุบันมาพูดอะไรที่จริงไม่สาคัญนะสาคัญคือโยมดูดตัวเองจริงนะสำคัญคือเรารู้สึกอย่างไรมาพูด สี่สิบคนนะแต่ละคนสภาะจิตใ จ, จจะไม่เหมือนกันนะอันมาไม่ได้พูดให้สี่สิบคนเป็นจิตใจเป็นแบบเดียวกันแต่ให้เรารู้จักตัวเราเองอย่างที่เราเป็นกายเป็นแบบไหนก็ให้รู้แบบนั้นใจเป็นแบบไหนก็ให้รู้แบบนั้นดีไม่ดีเป็นแค่สมมตินะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยดีกว่า บางคนไปคิดว่าสภาวะการปฏิบัติเราดีหรือไม่ดีมันดูดูที่อาการที่มันเกิดขึ้นเช่นสงบเช่นสบายเช่นไม่ไม่คิดมากเลยนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัววัดว่าเราปฏิบัติดีหรือไม่ดีนะแต่สภาวะที่วัดได้คืนจริงๆคือเราสามารถรู้มันได้แบบเฉยเฉยได้ไหมเฉยเฉยนี่ไม่ใช่พยายามเฉยนะ ต่างกันนะบางคนคิดว่าเฉยคือเราพยายามเราต้องพยายามนิ่งๆเฉยๆอย่างที่มาเพื่อบางทีพัฒพูดสนุกก็ต้องนิ่งๆ <g ül> อะไรแบบนั้นนะยิ้มได้หัวเรา ะ, ะ, ะได้แต่เราก็พอเราก็เห็นตัวเองได้เนะออืืมมเนี่ยคือเราเห็นตัวเองแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้านะตอนหนึ่งในนิกายเซ น, นเขาจะก็จะเชื่อเขาจะเชื่อ เช่นสมุดดูเห็นอะไรยังเห็นอะไรในตัวเองมีอะไรเห็นอะไรหนังสือเราเห็นในตัวเองตัวเราเองเห็นอะไรฮะ อะไรนะไม่ได้ยินกระจกเห็นกระจกเหรอกระจกยินในตัวเราเหรอเห็นอะไรเห็นความงงไหมเห็นไหมงงไหมเออเนี่ยเห็นความงงนะเห็นนะถ้ามันไม่งงก็ไม่งงนะอืม คือบางทีก็ไอมาจะชูอะไรไม่สำคัญนะไอไอเห็นหนังสือเห็นรูปวันนี้มันตามันเห็นอย่อะคนเท่าไปก็เห็นแต่เราจะเห็นความงงของตัวเองหรือเปล่าเราจะเห็นความอาจจะชอบก็ได้บางคนเห็นดอกบัวแล้วชอบเห็นความชอบเห็นความสุขจากการเห็นดอกไม้ใช่ไหมอืมคือเห็นดอกไม้แต่บางทีเราจะไม่รู้ทันว่าเรากำลังแบบเกิดความเคิม สมุดเคิมชอบเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านชูดอกดอกไม้ดอกหนึ่งพระมหากระสปะท่านก็ยิ้มน้อยๆเข้าใจกันส่วนพระที่เหลือเนี่ยงงพระพเจ้าชูดอกไม้ทําไมงงไม่เข้าใจอหรืออาจจะคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์จุดประสงค์การคิดการชูดอกไม้ของพระพุทธเจ้าคืออะไร ใช้ความคิดตีความนีะเป็นเป็นต้นกําเนิดของนิกายเซนพระเจ้าชูดอกไม้หนึ่งดอกพระมหากรสปะท่านรูกับพระพุทธเจ้าก็ยิ้มรับแต่ที่เหลือในงงหรือว่าสงสัยตีความคือการเห็นตัวเองคือแบบนี้แหละนะอืมถ้าเรางงก็รู้ว่ารู้สึกว่างงอืมเราชอบก็รู้สึกว่าชอบ ไม่ชอบก็รู้สึกว่าไม่ชอบยอมรับอย่างที่มันเป็น น, นี่คือคือปัจจุบันธรรมนะนะปฏิบัติจริงๆคือรู้ที่ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละนะมันเป็นแบบไหนก็รู้อย่างนั้นไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นเพียงแต่ฝึกรู้บ่อยๆฝึกรู้บ่อยๆนะน ะ, นะพอสมควรแก่บารดาวนะมวงไหมวันนี้ สนุกไหมเออพอแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่หลักก็สภาวะแต่แตครั้งก็เปลี่ยนไปเรื่อ ย, ยมมันไม่เอาแน่ไม่ได้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าคนเก่าก็ก็เชิญนะหาที่ปฏิบัติชั้นบนก็ได้หรือนั่งที่ชั้นนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าชื่โมงหนึ่งก็กลับมาเนาะอืมตอนเช้าก็ เมื่อกี้ก็พาปฏิบัติกับการฟังนะแต่ครั้งนี้เราลองปฏิบัติอยู่กับการทำในรูปแบบเนาะก็เชิญหาที่ที่เดินที่นั่งของเราแล้วก็กลับมา1 1บเอ็ดโมงยี่สิบก็ได้เดี๋ยวก็ไปฝึกต่อปฏิบัติธรรมนะอย่าไปคิดว่ามันจะ รีบทาให้มันเสร็จรีบทําให้มันจบนะบางคนมีบางคนมีม ค, นมคนจริงคนหนึ่งนะมาปฏิบัติธรรมกับธรมาที่มาสามปีแล้วเดือนที่แล้วนะเขบอกครบสามปีตอนมาข้อคอดครั้งแรกมาแบบไม่รู้อะไรแต่ก็รู้สึกว่ามันดีเนาะไม่ถึงนะก็เลย ฉันจะให้เวลาตัวเองสามปีนะที่จะปฏิบัติธรรมเอ่าแล้วก็คือแล้วก็แต่ในเขาก็ให้เวลาตัวเองจริงๆเนาะนะนะก็ปฏิบัติธรรมจริงๆแต่พอเดินให้แล้วครบสามปีเ้าก็อืมก็คราวนี้ก็จิตใจก็เปลี่ยนแล้วก็วคือว่าผมต้องปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆคงเลิกไม่ได้นะเลิกไม่ได้ แต่ก่อนคิดว่าจะทําให้มันเต็มที่สามปีเนี่ยคงคงได้หลไรแล้วอะ่ะก็จะได้ไปทําอย่างอื่นเนาะลึกๆแล้วก็คือไอนน้จะได้ไปกินไปเที่ยวไปแบบเดิมอคิดว่าแบบสามปีเนี้พอละอ่าได้ผลละอ่แต่เอาให้นึกจริงๆแล้วมันมันก็ได้ผลนะได้ผลแต่มันยังมันไม่เพียงพอในเชิงว่า มันก็ต้องมีงานที่ต้องทำเรื่อยๆแต่มันก็รู้สึกว่าเออมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการฝึกปฏิบัติธรรมจริงๆเนะเห็นความเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ก็รู้เลยว่ามันมันต้องทำไปเรื่อยๆทำต่อเนื่องไปอ่า น, นั่นพวกเราเองก็เนอะปฏิบัติ <c oughs> ทั้งชีวิตน <c oughs> ไม่มากนะชีวิตหนึ่ง อ่าคือเราก็ไม่รู้หรอกนะบางคนอาจจะบางคนคิดว่าครึ่งชีวิตแล้วหรอที่จริงเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะก็ให้ชีวิตนี้เป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่บางทีพอเราไปคิดว่าโอ้อีกสมมติเราคิดว่าเราจะเจ็ดสิบปีไปเนาะอีกต้องหลายปีีนะ้เนาะบางทีมันดูเหมือนนานนะ ไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอทำอย่างอื่นด้วยก็ได้แต่ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวเมื่อเราทำด้วยความรู้สึกตัวแล้วมันก็ทำอย่างอื่นได้ปกติไปกินไปเที่ยวไปพูดคุยไปอยู่กับผู้คนมันก็ได้เหมือนเดิมนะแต่เพียงว่าแต่ความหลงในในการทำนะั้นมันจะน้อยลงเองไม่ใช่ปว่า ปฏิเสธไม่ไม่ทํานะแต่มันรู้สึกว่ามันจะเห็นตัวเองที่ทแต่ก่อน ท, ทําด้วยความหลงนะเวลาไปหาอะไรกินก็ <c oughs> หาจริงจังอ <c oughs> หาจริงจังนะอจริงจังในการหาร้านหาขนมหาอะไรอร่อยอร่อยมันก็อาจจะหาถ้ามันจําเป็นต้องหาแต่มันความจริงจังความคาดหวังมันก็น้อยลงแล้วมันก็จะสัมผัสกับความสุขในการ เวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรมันก็อยู่กับอยู่กับสิ่งที่เราเป็นจริงๆได้แต่บางทีเราหาแต่พอพอเวลาที่เราไปกินมันจริงๆเนี่ยใจเราก็คิดฟุ้งซ่านไปนรื่องอื่นอกบางทีเราไปหาร้านที่เขาว่าอร่อยนะแต่เราก็เพลินกับการคุยมากกว่าการกินนะหรือบางทีงานเราก็เครียดนะก็คิดอยู่กับเรื่องงานมากกว่าที่จะสัมผัสกับรสชาติหรือบรรยากาศ เราอยากไปทะเลให้มันผ่อนคลายแต่ใจเรายังวุ่นวายกับเรื่องในชีวิตเราอยู่เราก็ไม่ได้ผ่อนคลายกับการอยู่กับทะเลกับธรรมชาติแต่การรู้สึกตัวมันจะทำให้เราได้อยู่กับอยู่กับสภาวะนั้นจริงๆยิ่งถ้าเป็นธรรมชาติก็จะช่วยให้ร่างกายให้จิตใจเราผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่บางครั้งเมื่อเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือว่าไม่สบาย มันก็ช่วยให้ให้เราอยู่กับมันได้เหมือนอย่างโยมสมมุติไปเดินตากแดดอะ่ะถ้าเราคิดแต่บนว่ า, าแดดมันร้อนนะมันยิ่งร้อนยิ่งทุบแต่ถ้าเรายอมรับความร้อนเราอยู่กับการเดินของเราร่างกายเขาก็รับรู้ความร้อนของเขาแต่จิตใจเราอยู่กับการเดินไม่ใช่แปลว่าปิดกั้นอย่างอื่นข้างนอกเนาะมันจะรู้สึกได้เลยว่า เออมันก็ร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนมากเท่ากับเราตอนที่เราไปบนแดดร้อน เ, ออเมื่อไรจะถึงแล้วนะเมื่อไรจะหายร้อนเราอยู่ในสถานการณ์ที่ร้อนหรือมีปัญหาเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยใช้ใช้ชความรู้สึกตัวนะทีละขณะทีละขณะอนาคตมันก็ไม่มีใครรู้นะว่าไม่เหมือนเราเดินยังพอเห็นเห็นล่มข้างหน้าเห็น เห็นที่หลบข้างหน้าแต่ชีวิตเราไม่รู้อยู่กับความไม่แน่จริงนะปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับกับความไม่แน่นอนของชีวิตซึ่งอย่างพอเรายิ่งถ้าเราศึกษาบางอย่างมันก็ทําให้เราวางใจได้ดีขึ้นนะอย่างเช่นมาไปอย่างได้ไปอินเดีย ได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้านะเห็นถึงความไม่แน่นอนแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระเจ้าถูกคนทําร้ายก็เยอะเราเองก็ยังถูกน้อยกว่าเยอะสากยะวงตระกูลของพระพุทธเจ้าถูกฆ่าก้ามในสิบส่วนนะนะคือแบบ แม้ฟิลโมสเจ้าเองก็ไม่ใช่จะห้ามไปไปจัดการให้มันไม่เกิดเหตุร้ายในชีวิตนะแต่มันก็คือเหตุปัจจัยที่มันมีของมันเนาะแต่ก็เห็นว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่มีปัญหาเราจะไม่มีอุปสรรคเราจะไม่เจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ดีในชีวิตบางคนถ้าเราไปเข้าใจว่า เราปฏิบัติทำเราทําบุญแล้วทําไมเราต้องเจอกับเรื่องวันนี้ด้วยเนี่ยนี่คือไม่เกิดสัมมาทิฏฐนะินะเนี่ยยังยังทําด้วยความคาดหวังว่าเราทําบุญจะได้ชีวิตจะได้มีความสุขจะได้เจอับสิ่งดีๆจะได้ลาบปลื้นเนาะอันนี้ทำบุญแบบไม่ใช่ชาวพุทธจริงๆนะอืทําบุญแบบหวังว่าจะสุขสบายไม่ทุกข์แต่ชาวพุทจริงๆเนะ่ะ เราทำบุญก็ดีหรือเราปฏิบัติธรรมก็ดีไม่ได้ไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังว่าเจะต้องไม่เจอกับสิ่งพวกนั้นแต่ถ้ามันเจอเราจะอยู่กับมันอย่างไรนะอยู่กับมันอย่างไรไปเรื่อยๆอนาคตจะเจออะไรก็พร้อมที่จะเจอนะจิตพร้อมที่จะเจอเนี่ยนะคือเป็นปัจจุบันจริงๆนะอ พร้อมที่จะเจอกับเหตุการณ์ในอนาคตแบบไหนก็ได้เหมือนหลวงพ่อเทียนนะที่อาจารย์สอบอารมณ์ท่านนะถ้าไปเดินป่าตรงนี้ยเจอเสือที่ถูกที่ดุจะไปไหมฮะอาจารย์สั่งให้ไปก็ไปออืเพราะว่าตอนที่อาจารย์สั่งอาจารย์บอกเนี่ยมันยังไม่เห็นเสือเลยอาจารย์บอกให้ไปก็ไปสิไปแล้วจะเจอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอแล้ว ท่านอาจจะชนะเสือก็ได้หรือเือชนกะเสือชนะท่านก็ได้ก็เป็นอีกเรื่องอนาคตแต่ไม่ใช่กลัวไม่กล้าที่จะทำอะไรนะเพราะว่าคิดเอากังวลวิตกนะแต่ปัจจุบแต่การมีสติคือเราอยู่กับตัวเองในปัจจุบันแต่ก็อนาคต ก, ก็ยอมรับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ก็ยอมรับมั น, นมีปัญหาบ้างมีความทุกข์บ้างนะ น, นั่นแหละเป็นจะได้ดูว่าการภาวนาของเรามันได้ผลมากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นตัวทดสอบตัวเองอย่างหนึ่งนะว่าไม่เป็นไรวะวันนี้เราอาจจะขาดสติอาจจะร้องไห้อาจจะเผลอเป็นทุกข์ไม่เป็นไรจริงเราจะมีตอนนี้ใหม่นะเนี่ยกลับมาตอนนี้รู้สึกไหม <c oughs> กลับมารู้สึกตัวตอนนี้เลย กลับมาหายใจรู้สึกตัวกลับมารู้สึกด่างกายที่นั่งอยู่กลับมาไหมใจกลับมาไหมอืมเนี่ยเป็นการวางความทุกข์วางปัญหานะเนี่ยเราไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาปฏิบัติต่อเนาะ